ถูกนินทาใส่ใครควรแก้ข่าวหรือเฉยไวการตั้งกลุ่มนินทาอารมณ์สนุกที่จะพูดพาดพิงถึงคนอื่นและตีไข่ใ ส, ส่สีเพื่อความสนุกเพื่อความสะใจเป็นเรื่องปกติของชาวโลกแล้วก็นั่นแหละที่เราเห็นผลเป็นปกติเช่นกันเป็นผลที่ได้มาจากการเคยตั้งโต๊ะนินทาชาวบ้านเวลาเจอหน้ากันกันกบใคร ไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรก็เอาคนที่ต่างฝ่ายต่างรู้จักมาพูดถึงเหมือนกับเป็นเรื่องกระชับมิตรแรกๆที่ยังไม่ค่อยสนิทกันก็มักจะพูดเรื่องดีๆพอสนิทกันขึ้นมานิดหนึ่งก็จะเอาเรื่องที่เป็นความลับหรือดูว่าเอออินไซเดอร์เท่านั้นคือคนวงในถึงจะรู้มาพูดแล้วถ้าสนิทกันที่สุดเลย ก็จะขุดคุยเอาวิเรื่องที่อยากระบายอยากจะด่ามันขึ้นมาเป็นประเด็นอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทำใจว่าการถูกใส่คลย้ยการถูกว่าร้ายเป็นวิบากของเราที่เคยประกอบกรรมข้อมุสาวาดไว้อาจจะเคยพูดโกหกอาจจะเคยพูดคาหยาบอาจจะเคยพูดนินทาว่าร้ายคนอื่นไว้หรืออาจจะเคยพร่มเพเจอจนกระทั่งสติเลื่อนลอย พูดง่ายๆว่าเราเคยไปทำความจริงให้บิดเบี้ยวไว้ความจริงก็เลยมาบิดชีวิตเราให้เบี้ยวบ้างเป็นการเอาคืนการที่เราจะโต้อตอบอย่างไรต้องดูความเหมาะสมตามสถานการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนแตกต่างกันไปถ้าหากว่าสามารถอธิบายได้ถ้าหากว่าผู้ฟังมีความเที่ยงธรรมควรจะทำความเข้าใจให้ถูกต้องอย่างยิ่ง เราพิจารณาเป็นคนๆไปว่าใครมีความพร้อมที่จะฟังแต่ถ้าเจอใครที่มีความพร้อมที่จะตัดสินคนอื่นง่ายๆด้วยการฟังไม่ฟังอยู่ราคาอยู่รมอะไรทั้งสิน้นคนประเภทนี้เหมือนอยู่ในห้องขังเป็นกำแพงที่ไม่สามารถจะคุยกับเราที่มีเหตุมีผลมากพอได้เราก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวเลยพูดไปก็ป่วยการหากยังไม่มีจังหวะ ที่จะมีใครเขามาเชื่อเราก็รอให้เหตุการณ์ปรากฏความจริงขึ้นมานะครับแล้วก็อธิษฐานเอาว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้เราไม่ได้เป็นไปตามที่เขาว่าร้ายเราไม่ได้เป็นไปตามที่เขาใส่ใครก็ขอให้วันหนึ่งความจริงจงปรากฏเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับรู้ว่าของที่ตรงของที่ถูกเป็นอย่างไรท่องไว้ครับการโต้อตอบด้วยโทสะ จะไม่ช่วยให้เราดูน่าเชื่อถือขึ้นความใจเย็นและสติแยกเหตุแยกผลเท่านั้นที่ช่วยให้คนอื่นนึกอยากเชื่อเรามากกว่าคำใส่ใคร